ถ้าทุกวันคุณพอใจจะตื่นแต่เช้าตรู่รู้ว่าอยากลุกมาทำอะไรแปลว่าคุณมีสิ่งที่ดีกว่าทรัพสมบัติเพราะต่อให้มีทรัพย์มากมายอลังการแค่ไหนรอครองสิ่งที่ใครตัวใครอยากได้ไว้เพียงใดในที่สุดคุณจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เนื้อินดียินร้ายกับชีวิตหรือกระทั่ง รู้สึกว่าชีวิตเหี่ยวเฉาน่าเบื่อหน่ายถ้าหากขาดจริงๆอยู่สิ่งเดียวคือความพอใจจะตื่นขึ้นมาทำอะไรสักอย่างการตื่นนอนในแต่ละเช้าหมายถึงการหยุดฝันหมายถึงการหลุดพ้นจากสภาพหลับไหลไร้ชีวิตชีวาหมายถึงการอยากใช้ร่างกายเคลื่อนไหวจับต้องสิ่งต่างๆหมายถึงการลุกขึ้นมาเดินทางสู่จุดหมายกันต่ออีกเก้า หมายถึงการโต้ตอบกับโลกภายนอกได้สอดคล้องหมายถึงการหวนกลับมามีสติรู้ตัวว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรแต่ความหมายของการตื่นจากสภาพหลับไหลจะหายไปทั้งหมดไม่เหลือเลยหากลืมตาขึ้นมาแล้วมีแต่การเปลี่ยนจากฝันกลางคืนเป็นฝันกลางวันมีแต่การลุกจากที่นอนอยังเสื้องซึม มีแตการเคลื่อนไหวคล้ายหุ่นยนต์ที่ถูกลากไปมีแตการออกอาวอย่างไม่รู้จะล่องเรื่อยไปไหนดีมีแตการโต้ตอบกับโลกภายนอกแบบงงๆมีแตการขาดสติเมื่อลอยกับชีวิตทั้งชีวิตถ้าชีวิตคือการไม่มีแก่ใจที่จะเตินขึ้นมาทำอะไรสักอย่างยิ่งนานคุณจะยิ่งรู้สึกไม่มีอะไรสักอย่าง ชีวิตจะเหมือนไม่ใช่ชีวิตแต่เหมือนฝันงงๆอยู่ตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นและนั่นก็สะท้อนว่าคุณใช้ชีวิตแบบเล่นๆเกินไปลอยให้ชีวิตไหลไปสู่ความตายเอาเองไม่มองให้ดีว่าก่อนตายอยากได้อะไรต้องมุ่งไปทางไหนเพื่อให้ได้ทำอะไรที่น่าพอใจระหว่างมีชีวิตเสียบ้าง คนฝึกทำงานแบบใช่เหตุผลจะใช่เหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆจึงเหมาะแก่การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารคนฝึกทำงานแบบใช้อารมณ์จะใช้อารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่เหมาะกระทั่งกับการเป็นลูกน้องในชีวิตทำงานจริงเมื่อเกิดปัญหาแต่ละคนจะเข้าหมวดความคิดแบบใดแบบหนึ่งระหว่างคิดแก้ปัญหา กับคคิดเล่นนนงานนถ้าฝึกทำงานแบบใช้เหตุผลคุณจะคิดแก้ปัญหาทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวไม่กระพือขึ้นบดบังสติปัญญาจึงเอาสติปัญญาไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดแต่ถ้าฝึกทำงานแบบใช้อารมณ์คุณจะคิดเล่นงานคนทำให้ระบบเหตุผลปั่นป่วนเอาปัญญาไปรับใช้อารมณ์จนหมดเวลาคิดแก้ปัญหา คนฝึกทำงานแบบใช่เหตุผลจะใช้เหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆจึงเหมาะแก่การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารส่วนคนฝึกทำงานแบบใช้อารมณ์จะใช้อารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารและกระทั่งอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นลูกน้องแต่ข้อเท็จจริงก็คือมีคนบางคนทำงานแบบใช้เหตุผล แต่ยังคงเป็นเบี้ยล่างให้คนทำงานแบบใช้อารมณ์อยู่และนั่นก็แทบจะเป็นเหตุหลักที่ทำให้การทำงานส่วนใหญ่ล้มเหลวมากกว่าประสบความสาเร็จ